เช้าแล้วก็ทุกเย็นที่นี่หรือว่าวัดไหนๆก็ตามก็มีการทำวัด ส, สวดมนต์สถานปฏิบัติธรรมนะเวลามีคอร์สก็เริ่มต้นวันด้วยการสวดมนต์ตอนค่ำตอนเย็นก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นภาพที่เราคุ้นชินเหมือนกับภาพพระออกไปบิณฑบาต จนกระทําบา ง, บงคนเนี่ยก็คิดว่าการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมืออกับที่พระนี่ต้องบินฑบาต ท, ที่จริงการสวดมนต์วัดทำวัช้าวัดเย็นแบบที่เราทํานี่มันไม่ได้เก่าแก่เหมือนกับการบินฑบาตนะบินทบาตนี่บินฑบาตแต่สมัยพุทธกาลแล้ว แต่สมัยพธกาก็ไม่มีการสวดมนต์อย่างที่เราทำทุกวันนี้ที่จริงใหธรรมเนียมการสวดมนต์นี่การทนจริงจังกัาสมัยแัะการที่สีนี่ก็คื อ, อยังไม่ถึงสองร้อยปีสมัยที่ก็าจะาสมัยที่ท่านยังบวชอยู่นะแล้วก็ตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาท่านก็ ปรับปรุงอะไรหลอย่างเพิ่มเติมอะไรก็มากรวมทั้งการทำบทสวดมนต์บทสวดบนนี้ที่เราสวดกันทั้งประเทศนี้ท่านก็คิดขึ้นมาก็เอาข้อความบางตอนจากพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธพจน์ท่านเก่งภาษา บ, บาลีเพราะนั้นก็เลยแต่งบทธรรมสวดมนต์ แต่ว่าพอเราทำมาเป็นประเพณีเราก็เลยคิดว่าโอ้ทำตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วหรือบางทีก็คิดไปถึงขั้นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นด้วยซ้ำเดีย๋ยวนี้ก็มีคนมันจะถามว่าการสวดมันจำเป็นไหมคนที่ถามก็เป็นค า, ารวดที่อาจจะเพิ่งมาสนใจธรรมะ ก็จะถามว่าการสวดมนต์ที่จำเป็นหรือเปล่าหลายคนเนี่ยที่เวลามาถามว่าอยากจะให้พ่อแม่มาสนใจธรรมะพพ่อแม่ก็ใกล้ตายแล้วหรือว่าอยากจะให้ลูกมาเข้าหาธรรมะเวลาถามว่าให้ธรรมะธรรมานี่หมายความว่าอย่างไรก็เดี๋ยวนี้นี่ เราพูดกันจนชินแต่ว่าพอถามหาความหมายหรือตัวอย่างที่เป็นลูกธรรมนี้ ก, ก็ตอบไม่ค่อยได้ก็รู้เองของดีนะพ่อแม่เขาหาธรรมะลูกนีนะ่สนใจธรรมะแต่ก็ถามว่าธรรมะที่ก็คิดหมายถึงอะไรก็คาตอบที่มักจะได้ยินาคือว่าก็หันมาสดมน ให้พ่อแม่มาสวดมันนั่งสมาธิให้พวกนี้มันรูปแบบทั้งนั้นแหละรูปแบบทั้งนั้นเวลาเพิ่งนธรรมะก็ติดที่รูปแบบเห็นภาพการสวดมนการนั่งหลับตาพอจี้จี้ลงไปก็ อ, อ, อยากจะให้สนใจธรรมะแบบไหนเช่น อ, อยากให้พ่อแม่รู้จักปล่อยวางปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเองินทอง ไปวางเรื่องงานหรือย่อยากจะให้พ่อแม่นี่ไม่เป็นคนขี้บน่นนะไม่โกรธโกรธให้น้อยลงให้พวกนี้นี่มันมันไม่ต้องอาศัยการสวดมนต์ก็ได้เวลาคนถามว่าสวดมนต์นี่จําเป็นไหมก็ตอบไม่จําเป็นพระป่าไร้วัดเขาก็มีมการสวดมนต์ให้ปฏิบัติกันตั้งแต่ ตื่นเช้าขึ้นมาจนค่ำไปเลยไม่ให้มาคลุกคีกันหรือไม่ให้มาเรีวยว่าให้แยกแยะ ก, กันอยู่กับตัวเองเต็มที่ส่วนมันมีประโยชน์ะแต่ว่าไม่ได้จําเป็นแล้วจะมีจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อวางจะให้ถูกไม่ให้สวดไปตามประเพณีหรือสวดเพราะเป็นประเพณี หรือสวดพราะคิดว่ามันจะเกิดความคลังความศักดิก์สิทธิ์การสวดมนต์เนี่ยมันก็ที่แท้คือเพื่อฝึกจิตของเราฝึกใจของเราให้เกิดศรัทธาในพระธัตนตรยัยหรือว่าน้อมใจให้เกิดความสงบมีสมาธิ เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ปล่อยได้วางจากกิจการงานต่างๆรวมทั้งความหมกมุ่นคุณคิดถ้าว่าสวดไปสวดไปเปล่ า, า, านี่ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจจุดมุ่งหมายมันที่ก็ไม่เกิดประโยชน์มันมีผู้หญิงมีเรียกวาอัศซิมอยู่กันนะชาวจีน แก่แกก็ทุกเช้าก็สวดมนต์แล้วก็เย็นด้วยการสวดของทางคนจีนเนี่ยพุทธมหายานหรือพุทธวัชรยานเนี่ยโดยเฉพาะมหายานเนี่ยก็จะเอ่ยนามพระพุทธเจ้านัโมมีฮอเรเกี่ยวนิโยอโมอ อมิตาพุทธะอะไรเนี่ยนะสั้นๆแล้วก็ให้สวดสวดไปเรื่อยๆแกก็สวดมาเรียกว่าปีแล้วปีเล่าสวดที่นึ่งเป็นชั่วโมงบทสวดมันก็สั้นๆเนี่ยไม่ต้องใช้ความจำมากเอ่ยนามพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นนิกาย่ ว, าวนสวดอย่างเป็นนิกายสุขาวดี เชื่อว่าสวยแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ตายแล้วไม่ได้ไปสวรรค์วันหนึ่งก็มีเพื่อนบ้านมาหาแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าแกกำลังสวดมนต์อยู่อัดซิมเนี่ยก็เลยเรียกที่หน้าประตูหน้าบ้านเรียกชื่อก็เรียกหลายครั้งนะไม่ใช่ว่าซิมแกไม่ได้ยินนะแกก็ได้ยินแต่ว่าแกก็ ต้องการสวดมนต์ให้ให้แล้วจบมันยังไม่ถึงเวลาเพื่อนบ้านก็เรียกนั่นแหละอาซิมแกก็เริ่มโมโหแล้วเพราะว่าค่ยๆมายุ่งมากวนใจแกกำลังจะสวดมนต์เพื่อนบ้านนี่ก็คิดว่าแกไม่ได้ยิน เลตโกนนเรียกชื่อแกดังขึ้นดังขึ้นเรียกซ้ำหลายครั้งสุดท้ายเนี่ยซึ่งจะตะบาดแตกโกรธลุกขึ้นไปเปิดประตูหรือว่าชะโงกหน้าที่หน้าต่างแล้วก็ดา่านอฉันอีกํำลังสวดมน มาเรียกมาเรียกชั้นรบกวนการสวดของชั้นทำไมเขารู้แล้วว่ากลาลังสวดมนต์อยู่เ็เรียกแล้วเรียกอีกรบกนว่าเพื่อนบ้านแกก็ก็ใจเย็นนะถูกว่านี่แกก็ก็ไม่ได้โกรธแต่พูดโตไปว่านี่ฉันเรียกชื่อเธอนี่ไม่กี่ครั้งนี่ยัง ยังโกรธนะแล้วเธอเนี่ยเอ่ยนามพระเจ้าไม่รู้กี่กี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วนี่แล้วพระองค์จะไม่โกรธเหรอได้สติเลยนะคือเนี่ยก็ะเภาว่าสวดมนต์เนี่ยนะสวดเพื่อขัดเกลาจิตใจตัวเองด้วยในส่วนแล้วยังมีความโกรธเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ไม่ถูกแล้วล่ะอันนี้เพราะไม่ได้รู้จึงมุ่งหมายการสวดคิดว่าเพื่อที่จะได้สะสมบุญสะสมแต้มาไว้ชาญหน้าจะได้เกิดในสวรรค์หรือว่ามีได้โชคได้ลาภหรือว่าได้โชคได้ลาภแต่ชาตินี้เลยใ้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน มันอยู่ที่สำคัญอยู่ที่การฝึกจิตฝึกใจและวิธีการก็มีหลากหลายสาหรับคนทั่วไปการสวดมนต์ก็เป็นวิธีการหนึ่งหรือเป็นอุบายทำให้ใจสงบทำให้ใจหายว้าวุ่นซึ่งมันง่ายนะกับคนทั่ ว, วไปมีแม่เพื่อนคนหนึ่งนะไปศรัทธานับถือ พริเบตท่านหนึ่งพริเบตท่านนี้ก็ก็เป็นคนที่เรียกว่าหัวสมัยใหม่ท่านเคยกํากับหนังเรื่องเดอะคัพนะสองซาดิมโปเชเป็นคนพูดฐานลูกก็ศรัทธานะลูกเป็นคนไทยก็ศรัทธาไปเจอท่านสองซาที่อังกฤษตอนสมัยไปเรียนหนังสือตอนหลังก็เลยชักชวนแม่ให้มา ศรัทธาแม่เป็นคนขี้โกรธนะท่านก็นเลยให้ไปสวดนะเอ่ยนามพระพุทธเจ้าแล้วก็อีกอี ก, อ, กอีกหลายอย่างนะเป็นจบเลยนะให้ไปสวดล้านจบนะสวดนี่ก็กราบด้วยนะกราบด้วยก็ทำอยู่หลายปีกว่าจะครบล้านนะ เสร็จแล้วก็อพอคนบแล้วก็มารายงานว่าเสร็จแล้วแต่ว่าไอ้ความโกรธนี่ก็ยังไม่ได้หายเลยล ด, ล, ด ล, ดลดไปนิดหน่อยท่านก็เลยให้ไปสวดอีกสิบล้านสิบ <c oughs> ล้านจบโอ้ยทั้งปีไองเงี้ยตลอดชีวิตเลยนะเนี่ยถ้าไม่สนใจใไปสวดไปถ้ายังไม่หาย แล้วก็สวดแล้วก็ไปกราบด้วยก็เป็นจริงเป็นจังนะกราบนี่เยไม่ใช่กราบเป็นจงังกขาประดิษฐ์นะอัศดางเขาประดิษฐ์ต้องเอาตัวนี้ท่บกับพื้นเลยอันนี้ก็มีหลายคนก็ตั้งใจเนี่ยจะกราบให้ได้เป็นแสนเป็นล้านหลายปีนะเนี่ยอันนี้เป็นอุบายนะแต่บางคนก็ ไม่เข้าใจใการนั่งหลับตาก็เหมือนกันนะนั่งหลับตาก็เป็นวิธีการจุดมุ่งหมายคือเพื่อฝึกจิตให้มีสมาธิมีสติเช่นเดียวกันยกมือสร้างจังหวะแต่บางคนเนี่ยนะยกมือสร้างจังหวะขณะที่ฟังธรมแต่เห็นคนข้างๆก็ไม่ยกมือสร้างจังหวะเหมือนตัวเอง ก็ไปทำนองไปตำหนิเขาว่าทำไมไม่ปฏิบัติคนที่พูดแบบนี้นี่เรียกว่าไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัตินะคือเขาอาจจะปฏิบัติอยู่ก็ได้เขาปฏิบัติ้วยการนั่งฟังอย่างมีสตินั่งฟังด้วยความสึกตัวซึ่งไม่จำเป็นต้องทำด้วยการยกมือ บางคนเขานอนแต่เขากำลังปฏิบัติอยู่อย่างที่พูเจอตรัสว่าในบุคคลให้ทาความสึกตัวนะเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มเวลายืนเวลานั่งเวลานอนเวลาพูดเวลานิ่งเวลาหลับตาเวลาตื่นคนที่พยายามนะรักษาใจไม่ให้กิเลสครอบงำแม้ อยู่ในอเรียบทนอนนี่ผู้เจ้าก็ถือว่ากำลังทำความเพียร น, นี่พอไปว่าคนนั้นคนนี้วาเนี่ยเขาไม่ยกมืออยู่เขาไม่หลับตาว่าไม่ปฏิบัติทำนี่ก็แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติและประการที่สองเจ้าตัวนี่ไม่ได้ดูใจตัวเองนะไปดูไปมองคนอื่นไปตําหนิเขา อันนี้ก็เรียกว่าไปเพ่งโทษคนอื่นไม่ได้ดูใจตัวเองว่าตอนนี้กำลังมีความไม่พอใจมีความขุ่นมัวจิตตัวเองไม่ดูนะไปมองคนอื่นมันก็เลยพูดอย่างงออกไปเราก็เรียกว่าผิดสองผิดสองเด่งเลยนะอันแรกคือไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสองตัวเองเองก็ปฏิบัติไม่ถูกไปมองคนอื่น ไม่ได้ดูตัวเองที่จริงระหว่างที่ยกมือสร้างจังหวะในการยกมือสร้างจังหวะขณะที่ครูบาอาจารย์แสดงทำเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าให้ฟังไปด้วยยกมือไปด้วยไม่ได้ให้ฟังไปด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวไปด้วยนะมันต้องทำเป็นอย่างๆเช่นหรือมันต้องมีอะไรเป็นเป็นหลักเช่นยกมือก็ให้รู้ว่ายกมือนี่รู้กาย ส่วนเสียงที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงบรรยายหรือว่าเสียงนกเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยในภาวะนั้นเนี่ยมีความหมายเท่ากันก็คือว่าแค่สักแต่ว่าได้ยินหรือว่าแค่ได้ยินแบบผ่านๆส่วนเสียงที่รู้เนี่ยนะไม่ได้รู้คำบรรยายแต่รู้กาย ว่ากำลังยกมือเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจถ้าเกิดว่ามันคิดนึกอะไรไปพวกเรายจุดสนใจอยู่ที่กายกับใจไม่ใช่อยู่ที่เสียงบรรยายใครที่เรียกว่ายกมือไปด้วยก็จะให้รู้กายรู้ใจไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกแล้วมันทำสองอย่างพร้อมกันต้องมีอะไรที่เป็นหลัก ถ้าคนที่ตั้งใจฟังเขาก็ไม่ต้องยกมือเพราะตอนนั้นกำลังมีสติอยู่กับการฟังแต่ถ้าจะยกมือนะก็ไม่ต้องฟังหรือไม่งต้องใจฟังก็แค่ให้รู้กายรู้ใจว่ายกมือกาลังเคลื่อนไหวใจกาลังคิดนึกหรือเปล่าคนไม่เขอดใจบางทีว่าฟังไปด้วยยกมือไปด้วยนี่มืนกไม่ต่างอยากกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกินข้าวไปด้วยก็เล่นลายไปด้วย ทำหลายอย่างพร้อมกันอันนี้เรียกว่าไม่ไม่เข้าใจใเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเวลาพูดถึงธรรมะเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งคำว่าบุญเนี่ยก็เข้าใจก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พูดจนติดปากนะเรื่องทาบุญเรื่องปฏิบัติธรรมแต่ว่า ถ้าถามถ้าซักจริงๆก็เข้าใจผิดกันเยอะการทําบุญก็เป็นตั้งแต่ว่าการไม่ถึงการให้ทานหรือการหรือแคบกว่านั้นนะคือให้ทานกับพระที่การทําบุญก็ทําได้หลายวิธีเวลาพูดถึงเรื่องธรรมะก็หลายคนก็นึกถึงเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการเข้าวัดที่หลายคนมาถามทํายังไงจะให้พ่อแม่สนใจธรรมะทำยังไงจะให้ลูก เขาหาธรรมะเวลาซักก็จะพูดมาทำนองนี้เดี๋ยวบางทีนึกไม่ออกนะว่าเนี่ยให้เขาอยากจะให้รู้เพราะแมาสนใจธรรมะเนี่ยหมายความว่ายังไงหรือว่าเช่นอะไรบ้างถ้าไม่ตอบว่าไอ้จะได้สนใจสดมนั่งสมาธิเข้วาวันนี้ก็บางทีก็นึกไม่ออกพูดไม่ถูก อันนี้ขนาดตัวยังไม่เข้าใจหรื อ, อยังนึกยัง น, กยงนึกไม่ออกแล้วเนี่ยแล้วจะให้ลูกจะให้พ่อแม่นี้ให้มาสนใจได้อย่างไรบางทีเราต้องช่วยเขาคิดนะอออยากให้พ่อแม่ปล่อยวางใช่ไหมหรือถ้าเป็นลูกก็อยากจะให้ให้ลูกเขามีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นใช่หรือเปล่าคิดถึงคนอื่นใช่ไหมหรือว่าเราบผิดชอบตัวเอง พอเราค่อยจีย้ไปเขาก็เริ่มนึกออกเอออย่างได้แบบนี้แหละคือนี้เรื่าตัวเองเนี่ยเข้าใจไม่ชัดแล้วจะให้ลูกเนี่ยเข้าใจธรรมะได้ไง เ, เมื่อตัวเองก็เข้าใจไม่ชัดหรือจะให้พ่อแม่นี่เข้าใจก็าอาจธรรมะได้ได้ไง เ, เมื่อตัวเองก็ยังไม่เข้าใจมันหมายความว่าอะไร นี่ถึงแม้จะบอกว่าเออมันคือการสวดมนต์มันคือการนั่งสมาธิมันก็จะไม่ใช่เพราะนั่นคือรูปแบบพ่อแม่ก็ไม่สวดมนต์แต่ก็จะมีวิธีการปล่อยวางหรือปล่อยวางดวได้ด้วยวิธีอื่นก็ได้เพื่อทาให้เขานี่รู้จักเสียสละบ้างมีเงินก็แบ่งปันให้คนอื่นบ้างเอาไปทําบุญบ้างก็จะได้ปล่อยวางเรื่องเงิน ทีแรกเขาอย่างมีแม่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่หวงเงินมากลูกก็อยากจะให้แม่นี่ปล่อยวางปล่อยวางยังไงปล่อยวางด้วยการรู้จักแบ่งรู้จักให้เช่นแม่นี่ตอนนั้นป่วยติดเตียงก็ให้แม่วันละร้อยแล้วก็บอกแม่ว่าขอยี่สิบบาทนะแบ่งยี่สิบบาทไปทำบุญนะ แม่ก็ได้แปดสิบเก็บไปใต้หมอนวรรลุมูลาอีกร้อยหนึ่งแม่เอาไปทำบุญได้ยี่สิบาทนะเก็ตัดไปยี่สิบาทไปได้แปดสิบทังนี้ไปบ่อยทั้งนี้ไปบ่อยนี่แม่ก็เริ่มที่จ ะ, ะให้ด้วยตัวเองแล้วเริ่มจากปล่อยหรือจากกวางเริ่มจากสลัตอนหลังก็คว้างเงิน ที่เก็บไว้ใต้หมอนให้ไปอ้าไปทาบุญเอาไปช่วยเหลือคนอื่นเอาไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าอะไรก็ว่าไปไอันนี้เขาก็เรียกว่ามีธรรมะมากขึ้นโดยที่ไม่ไปต้องสวดมนต์เพราะหลายคนเขาเวลาพูดถึงสวดมนต์แล้วก็ก็ไม่รู้สึกว่ามันเขาจะอินกับมัน ถึงก็มีหลายคนเท้าเนี่ยจำเป็นไม่ต้องสวดมนต์ก็ไม่จงเป็นนะแต่ว่าต้องฝึกจิต ด, ด้วยวิธีอื่นหรือว่าที่คิดว่าเหมาะสมเช่นบางคนช่วยเขาเร่งรีบกลายเขาทำอะไรช้าลงกินข้าวก็เคี้ยวข้าวช้าๆวางเรื่องงานเรื่องการต่างๆลงไปก่อน หรือว่าบางคนก็จะติดลูกติดหลานก็อ่อก็ต้องฝึกให้บ้างให้เวลาไปที่ไหนก็ให้ปล่อยวางเรื่องหลานบ้างฝึกเอาไว้ให้อยู่ห่างหลานบ้างหรือหลานจะไปไหนก็ไม่ต้องโทรศัพท์ติดต่อเขาฝึกเอาไว้นคือมันเป็นเรื่องการฝึกที่เหมาะสมนะกับพฤติกรรม แล้วก็ปัญหาแต่ตอนหลังเนี่ยเขาอาจจะเริ่มใจค่อยน้อมน้อมเข้าสู่การฝึกที่ละเอียดปันนี่เช่นอ่ะตอนหลังก็มาสนใจเรื่องการนั่งสมาธิรู้จักรู้จักอยู่กับความฟุ้งซ่านหรือว่าจัดการกับความฟุ้งซ่านให้เป็นอัา น, นี้เป็นเรื่องที่ ที่แต่ละคนก็ต้องรู้จักไร่ครควนตัวเองแล้วก็มันพิจารณาด้วยเมื่ออยากจะไปช่วยคนอื่นให้คำว่าธรรมะเนี่ยบางทีมันกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนเข้าถึงธรรมะได้ช้าเพราะาพอพูดถึงธรรมะก่อนนึกภาพหรือนั่งสมาธิสดมลซึ่งหลายคนเช่นคนแก่คนจีนก็ไม่ชอบ เด็กๆรุ่นใหม่ก็ไม่ชอบแพ้วะเามีภาพบางอย่างเกี่ยวกับมีภาพที่เป็นลบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้งันพอพู้วันเนี่ยพ่อแพ่แมาพ่อพ่อแม่จะให้ลูกเข้าหาธรรมบานนี้ชวนลูกสวดมนนี้ลูกหนีเลยแม่ยิงทุกพอจะให้พอลูกจะให้พ่อแม่หันมานั่งสมาธิพ่อแม่ไม่เอาลูกก็งดงิย ให้บางทีธรรมะเป็นตัวขัดขวางคนให้เข้าถึงธรรมะได้ยากอย่างแม่คนหนึงที่มาถามว่าจะให้ลูกเข้าหาธรรมะได้อย่างไรพอถามว่าพอจี้ถามว่าหมายถึงอะไรเขาก็ยังนึกไม่ค่อยออกถึงแล้วก็ยังนึกเนี่ยจะสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเนี้ไม่ได้ผลเด็กไม่เอาอยู่แล้วอย่างนั้นก็ช่วงแรก จะแนะนําแนะนำอย่างไรก็แนะนํำให้เขารักตัวเองเลยแนะนำให้เขารักตัวอย่างแท้จริงให้เขารักตัวเองอย่าซ้ําเติมตัวเองด้วยความโกรธความความเศร้าความเครียดอยู่กับตัวเองให้เป็นเวลาทําอะไรอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์เข <c oughs> าพูดอย่างนี้เขา้าเออแม่เขาก็เออเห็นดีด้วยว่าเออใช่อย่างงจะดี ให้เขาสอนลูกให้รู้จักรักตัวเองให้เป็นพูดลูกแนะนาลูกให้รักตัวเอให้เป็น น, นี้มันเป็นคําซึ่งเด็กเข้าใจง่ายวัยรุ่นก็รับได้ง่ายแต่พอพูดเรื่องธรรมมาเขานี่เด็กนี่เบือนหน้าห น, นีเลยเพราะว่าเวลาพูเรื่งธรรมมาแล้วมันเหมือนกับมีการบังคับอยู่ในทีแล้วก็ให้ทําให้เน้นที่รูปแบบ ซึ่งเขาไม่รู้สึกว่ามันมันดีมันน่าสนใจตรงไหนมันน่าเบื่อได้ซ้ำเานเวลาเวลาเราพูดถึงว่าท ร, รมากก็ดีต้องให้นึกภาพไ้ออกมันคืออะไรหมายความว่าอย่างไรเมตตากรุณาสติสมาธิความไม่เห็นแก่ตัวความอดทนรู้จักคอยรักตัวเอง อันเนี้ยมันเริ่มชัดขึ้นแต่บางทีเราใช้พอเราใช้คำว่าใช้ภาษาบาลีกสมาธิเด็กหลายคนหรือว่าผู้ใหญ่คนแก่แล้วคนยกก็รู้สึกกลัวขึ้นมาถ้าไปใช้คำอื่นเช่นรู้จักใจสงบนิ่งสงบเย็นก็เริ่มสนใจขึ้นมานี่พยายามทำให้ธรรมะ ไ, ไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จรูป แกไม่เข้าใจว่าธรรมะเป็นสู่สําเร็จรูปมันกลายเป็นเรื่องที่แข็งตัวนะเพราะนึกธรรมะก็สวดมนต์นั่งสมาธิเพราะนึกถึงทำบุญก็อ่ะไปวัดนะถวายสังฆทานมันแคบแล้วมันก็กลายเป็นรูปแบบกลายเป็นทําไปตามประเพณีทําไปรูปแบบแล้วก็ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจก็เสียโอกาสอ่ะช้อนนี้คุเท่านี้น ะ, ะกลับ